ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับร่มชูชีพที่นักบินนักบินเครื่องบินรบนี้จะมีชูชีพเผื่อเวลาเครื่องบินเป็นอะไรก็สามารถที่จะกระโดดออกจากเครื่องได้ถ้ามีร่มชูชีพก็จะลงมาอย่างปลอดภัย แต่เครื่องบินโดยสารนี่เนื่องจากมีผู้โดยสารมากและผู้โดยสารใช้เครื่องชูชีพล่มชูชีพไม่เป็นก็เลยไม่มีลมชูชีพเวลาเครื่องตกก็ต้องตกกับเครื่องไปแต่นักบินนี่เขามีเวลาฝึกซ้อมใช้ลมชูชีพพอเวลาเครื่องเป็นอะไร เขาก็สามารถใช้ลมช่วยชีพช่วยให้เขาไม่ต้องตกไปกับเครื่องอธรรมะของเราของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนลมช่วยชีพที่เราคือจิตใจจะต้องใช้กันเวลาที่ร่างกายที่เป็นเหมือนเครื่องบินมันจะตกเราเป็นเหมือนกับผู้โดยสารผู้ขับเครื่องบิน ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องบินที่เดี๋ยวจะต้องมีอาการเป็นไปจะต้องเสียต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายถ้าเราไม่มีร่มชูชีพเราไม่ได้ฝึกใช้ร่มชูชีพเราก็ต้องตกไปกับร่างกายต้องแก่ไปกับร่างกาย ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายต้องตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเรามีร่มชูชีพคือมีธรรมะเราสามารถที่จะแยกตัวเราออกจากร่างกายได้ตัวเราคือใจผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นร่างกายเป็นผู้ขับร่างกายเหมือนกับขับเครื่องบินเหมือนกับคนขับ นักบินขับเครื่องบินนักบินกับเครื่องบินนี้เป็นคนละส่วนกันถ้าเครื่องบินมีปัญหาก็สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ถ้ามีลมช่วยชีพนักบินก็สามารถจะดิดตัวออกจากเครื่องได้แล้วก็ใช้ลมช่วยชีพ ช่วยให้ลงมาอย่างปลอดภัยธรรมะของพุทธเจ้านี้ก็เป็นร่มชูชีพของใจที่จะช่วยให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายเพราะร่างกายกับใจนี้ไม่ได้เป็นอันเดียวกันร่างกายเป็นเหมือนเครื่องบิน ส่วนจิตใจนี้เป็นเหมือนนักบินถ้านักบินไม่ได้มีร่มชูชีพก็จะต้องตกไปกับเครื่องบินแต่ถ้านักบินหัดใช้ร่มชูชีพมีร่มชูชีพแล้วใช้ร่มชูชีพเป็นเวลาเครื่องบินเป็นอะไรนักบินก็สามารถที่จะกระโดดออกจากเครื่องได้ใช้ร้มชูชีพ ให้พาลงมาสู่ดินได้อย่างปลอดภัยจิตใจของพวกเราถ้ามีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาคําสอนนี้มาปฏิบัติมีคําสอนแล้วก็เหมือนกับมีร่มชูชีพมีร่มชูชีพก็ต้องหัดใช้ร่มชูชีพให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นประโยชน์อีก ถึงเวลาจะใช้ก็กางไม่ได้อธรรมะคาสอนอุตตเจ้านี้ที่เป็นเหมือนร่วมชูชีพเราก็ต้องเอามาหัดใช้กันถ้าเราใช้เป็นเราก็จะสามารถที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายที่จะต้องเป็นไปเหมือนกันทุกคน ทุกคนที่มาเกิดนี้เป็นเหมือนนักบินมาได้เครื่องบินกันคนละลำคนละเครื่องเครื่องบินใช้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องชารุดสุดโทรอถ้ายังซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมกันไปแต่ในที่สุดเครื่องบินมันก็จะต้องอพังไปจะต้องตกแต่ถ้า นักบินหัดใช้โน้มชูชีพเป็นนักบินก็จะปลอดภัยใจของเราถ้ามีธรรมะเป็นน้มชูชีพแล้วใช้ธรรมะเป็นใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับความเป็นความไปความเป็นความตายของร่างกายเรา พวกเราโชคดีที่ได้มาพบกับร้านขายชูชีพล้มชูชีพเนี่ยคือพระพุทธศาสนาที่มีล้มชูชีพขายที่จะม า, าใช้กับจิตใจของเราในยามที่ร่างกายของเราเป็นอะไรไปหรือแม้แต่ของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ร่างกายเราที่เราไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นของเราก็ ก็สามารถที่จะทำให้เราทุกข์ได้เหมือนกันถ้าเรามีธรรมะเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เพราะสิ่งต่างๆก็เหมือนกับร่างกายของเราที่จะต้องมีการาพัดพากจากกาันไม่ไม่พัดพากจากกาันตอนเป็นก็ต้องพัดพากจากกาันตอนตายถ้าเรามีธรรมะ เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจเราจะไม่ทุกข์กับการพัดพลาคจากสิ่งต่างๆพัดพลาคจากลาบยศสรรเสริญพัดพลาคจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพัดพลาคจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้พัดพลาคจากสิ่งนั้นสิ่งนี้พัดพลาคจากร่างกาย ถ้าเรามีธรรมะธรรมะจะเป็นเหมือนร่มชูชีพที่จะปกป้องรักษาใจให้ปลอดภัยเวลาที่มีการพัดพลากจากกันแต่การมีธรรมะนั้นยังไม่เพียงพอต้องรู้จักใช้ธรรมะเืิองต้นเราก็ต้องมีธรรมะก่อนการจะมีธรรมะก็เกิดจากการได้ศึกษา ได้ฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่รู้จักใช้ร่มชูชีพผู้ที่รู้จักปฏิบัติธรรมถ้าได้เรียนจากผู้รู้จักการปฏิบัติธรรมต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติและปฏิบัติธรรมได้เอาธรรมาเป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจได้เนี่ยที่เรา เรียกธรรมะว่าเป็นสลานังกชามิก็เป็นที่พึ่งของใจที่ปกป้องรักษาคุ้มครองใจของพวกเราไม่ให้วันไหวไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจไปกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่กันเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีนั้น โดยธรรมชาติของเขานั้นไม่เที่ยงเขามีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วได้อะไรมาแล้วก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปแต่ถ้าเรามีธรรมะใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไปกับการเสื่อมการดับ มีธรรมะและรู้จักใช้ธรรมะไว้คุ้มครองรักษาใจธรรมะที่เราพูดถึงนี้ก็คือภาวนานี่เองจิตตะภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราจะสามารถรักษาใจของเราให้อยู่อย่าง ไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจไม่เสียใจไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนี่คือความวิเศษของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้กับใจได้ต่อให้มีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกดินกาย มากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถมาคุ้มของ ป, องปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจเวลาที่เกิดการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปดังนั้นเราควรที่จะให้ความสำคัญต่อการเข้าหาธรรมะกัน เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้มีธรรมะเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของใจที่จะทำให้ใจอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนับตั้งแต่วันที่เราได้ธรรมะได้นำเอาธรรมะเข้าสู่ใจเรียกว่าเขาปฏิสถาน ตอนนี้ธรรมะยังอยู่ภายนอกใจเราอยู่เปรียบเทียบเหมือนกับสมัยนี้เรามีเครื่องคอมเครื่องคอมก็ต้องมีซอฟต์แวร์มีแอปต่างๆการที่เราจะใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์จากแอปต่างๆได้เราต้อง install เราจะต้องประดิษฐ์มันประดิษฐ์สถานมันเข้าไปในเครื่องก่อนถ้ามันอยู่นอกเครื่อง เช่นตอนนี้มันอยู่ใน a อ p Store ถ้าต้องการแอปตัวไหนก็ต้องเข้าไปที่ a อ p Store แล้วก็สั่งให้มัน i n s tall ดาวน์โหลดเมื่อมัน i n s tall ดาวน์โหลดแล้วมันก็จะใช้แอปนั้นได้อั น, นธรรมะก็เหมือนแอปที่จะมาคุ้มครองรักษาเครื่องของเราไม่ให้พังเป็นป้องกันไวรัส ถ้าเครื่องไม่มีอซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเวลาโดนไวรัสก็อาจจะทำงานใช้งานไม่ได้ธรรมะนอกจากที่เราศึกษาแล้วเราต้องเอาไปปฏิบัติการศึกษานี่เหมือนกับการไปไปซื้อซอฟต์แวร์มาเมื่อได้ซอฟต์แวร์แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสั่งให้มันอินสตอล ตอนต้นดาวโหลดดาวโหลดก็ไปซื้อมาการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการดาวโหลดธรรมะให้เรารู้ว่ามีธรรมะอะไรที่เราจะต้อง Install เข้าไปในใจของเราธรรมะที่เราต้อง Install เข้าไปในใจก็มีเริ่มต้นที่สติเราต้องมีสติฝึกสติอยู่บ่อยๆฝึกสติอยู่เรื่อยๆพอมีสติแล้ว เราก็จะสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้เพราะเราทำใจให้นิ่งให้สงบได้เราก็จะมีสมาธิมีอุเบกขา mm. เวลาใจสงบใจมีอุเบกขานี่ใจจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้จะเฉยจะเฉยกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจะเป็นอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใจจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจแต่อุเบขาที่เราได้จากสมาธินี้จะเป็นได้ชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาอุเบขาที่เราได้ก็จะค่อยๆจางหายไป เหมือนกับน้าที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาแช่น้ำในตู้เย็นน้ำจะเย็นเฉียบเวลาออกจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำก็ยังจะเย็นอยู่แต่จะเริ่มลดความเย็นลงไปเรื่อยๆเพราะอากาศภายนอกเป็นอากาศที่ร้อนกว่าน้ำอากาศร้อนก็จะเข้าไปทําให้น้ำเย็นนั้นหายหายเย็น ใจของเราเวลาอยู่ในสมาธิก็เหมือนอยู่ในตู้เย็นความเย็นของใจก็คืออุเบกขาที่จะทําให้ใจของเรานีนิ่งสงบเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆแต่พอใจเราออกมาจากสมาธิออกมาอยู่อีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศที่มีความร้อนอะไรคือทำ คื อ, อะไรคือบรรยากาศของความร้อนก็คือความอยากต่างๆที่เราหยุดมันในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเวลาเราหยุดความคิดปรุงแต่งความอยากมันก็จะหยุดพร้อมไปด้วยก็จะทําให้เหมือนกับมีบรร ย, รรยากาศเย็นเวลาตันหาความอยากเวลาความคิดไม่ทํางานมันจะสร้างบรรยากาศเย็นขึ้นมา ทำให้ใจเย็นใจเป็นอุเบกขาแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มคิดปรุงแต่งพอมาเริ่มรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมารับรู้เหตุการณ์ต่างๆใจก็คิดปรุงแต่งไปกับเหตุการณ์แล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอยากให้ดีมัง่งอยากให้เป็นอย่างนั้นมัง่งอยากให้เป็นอย่างนี้มัง่งอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ มันจะสร้างบรรยากาศร้อนขึ้นมาความอยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างบรรยากาศร้อนให้แก่จิตใจเป็นตัวที่มาทาลายอุเบกขาที่เราได้จากการนั่งสมาธิแต่พระพุทธเจ้านี้ฉลาดสงค้นพบวิธีที่จะสามารถให้เรารักษาอุเบกขาไว้ได้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้ว วิธีง่ายๆพอจากสมาธิมาก็อย่าปล่อยให้ใจคิดเอาสติหยุดมันไว้ก่อนถ้าหยุดมีสติพุโทโธต่อไปพอจากสมาธิมาก็พุโทโธพุโทโธต้องทำอะไรก็ทำไปแต่มีพุโทโธคอยกำกับความคิดปรุงแต่งอย่าให้ปรุงแต่งไปในทางความอยากความอยากก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาใจก็ยังจะเย็นเป็นอุปกขาได้อยู่ แต่เวลาได้ที่เผลอสติปล่อยให้ความคิดตรุงแต่งคิดไปในทางความอยากอุเบกขาก็จะถูกทำลายไปทันทีสติยังไม่ได้เป็นวิธีที่จะรักษาอุเบกขาของใจให้อยู่อย่างถาวรได้แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยสำหรับผู้ที่ฝึกหัดพัฒนา จิตใหม่ๆรู้จักรู้จักเรื่องของสติก็ใช้สติไปก่อนรู้จักใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งให้จิตเข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่เบกขาพอออกจากสมาธิมาก็ใช้สติไปก่อนถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นเพราะปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะทำลายความอยากอย่างถาวร เมื่อความอยากถูกทำลายอย่างถาวรนะทีนี้ก็จะไม่มีบรรยากาศร้อนไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิอยู่ในสมาธิก็เย็นออกมาก็เย็นถ้ามีปัญญาคอยกําจัดความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจให้มันหมดไปแต่เบื้องต้นถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็น ก็ต้องใช้สติไปก่อนฝึกสติให้ชานาญให้มีกำลังมากๆไปก่อนอย่างน้อยเวลาใจร้อนขึ้นมาใจเครียดขึ้นมาก็ยังสามารถระ ง, งับดับได้เป็นพักๆไปพอสติของเรานี้ยังไม่แก่ก้าพอที่จะเป็นสติแบบอัตโนมัติที่จะทำงานตลอดเวลา ที่จะคอยควบคุมความคิดปุุงแต่งของเราตลอดเวลาถ้าสติของเราแก่กล้าไม่ขาดไม่พังไม่เพ้อขั้นที่สองเราก็มาหัดใช้ปัญญากันปัญญาเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้ส่งรู้ว่าตัวที่จะมาทำให้ใจเราวุ่นวาย ทำให้เรายึดเราติดกับสิ่งต่างๆทำให้เราทุกข์กับสิ่งต่างๆก็คือความอยากนี่เองความอยากที่เกิดจากความหลงความหลงคืออะไรความหลงก็คือการไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงติดอยู่ไปยึดอยู่นั่นเองสิ่งต่างๆที่ใจเราไปยึดไปติดอยู่นี้ เราหลงคิดว่าเขาเป็นสุขเขาจะให้ความสุขกับเราเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าจินจังสุขขังแล้วก็เขาจะเป็นของเราไปตลอดอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปตลอดคืออัดปลา ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในสายตาของผู้ที่ไม่มีปัญญาจะมองว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นลาบยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็อยากได้กันเพราะเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันจะให้ความสุขกับเรามันจะเป็นของเรา แต่ความจริงมันไม่เป็นทั้งที่ทั้งทง ท, งที่มันไม่เป็นแต่เรากลับมองไม่เห็นกัน เ, ออเวลาเราเสื่อมราบได้ราบมาเดี๋ยวราบหมดเนือราบไม่มาอยู่ไดยเรื่อยออวันนี้มาพรุ่งนี้ไม่มาออรายได้ไงาบก็คือรายได้ค้าขายเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องคิดว่าต้องมีรายได้ทุกวันออต้องขายของได้ทุกวัน พอมีอะไรเหตุการณ์มาสะดุดทำให้เราไม่สามารถมีรายได้ได้อันนี้ก็เป็นอันนี้จังขึ้นมาแล้วคือไม่จีรังถาวรการมาของลาบจะไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอไปวันดีคือดีอาจจะตกงานก็ได้หรือกิจการของที่เราขายหมดสมัยไม่มีใครซื้อแล้ว สมัยนี้ขายแผ่นซีดีขายไม่ออกนะไม่มีใครซื้อแผ่นซีดีแล้วสมัยก่อนพวกฟลอปปีสพวกนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันนี้จังมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสินค้าที่เราเคยขายดีขายดีวันดีคืนดีก็ขายไม่ออกเออ มียุคหนึ่งในช่วงสมัยที่เราเรียนหนังสื อ, เ, อเป็นยุคที่เขาไม่นิยมตัดผมกันร้านร้านตัดผมนี้ก็เจ๊งกันไปหลายร้านด้วยกันเพราะเด็กนักเรียนนิยมไว้ผมยาวกันไม่ไม่ตัดผมกันช่างตัดผมก็เลยไม่มีรายไดเ้เนี่ยเหตุการณ์ในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปาตามยุคตามสมัย งั้นรายได้ของเราลาบยศของเราที่เราได้มานี่ก็มีวันที่จะสะดุดได้ยศคือตําแหน่งต่างๆก็อาจจะมีการสะดุดได้ไม่ใช่ว่าได้แล้วจะได้ไปเรื่อยๆในร้อยเราจะเป็นในพันจะเป็นในพลเสมอไปบางคนก็ไปติดอยู่ระดับในร้อยบางคนก็ไปติดอยู่ในระดับในพันบางคนก็ไปติดอยู่ในระดับในพครับ อันนี้แต่เราไม่คิดกันเราคิดว่าเราจ ะ, จะเจริญกันไปเรื่อยๆพอไปเจอความเสื่อมเขา้าก็เลยทําให้เราเครียดกันทําให้เราทุกข์กันอันนี้เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไปคิดว่าได้อะไรแล้วมันจะมาเรื่อยๆหรือจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะเป็นของเราไปเรื่อยๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีหรอกของอะไรต่างๆในโลกนี้ที่จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ก็จะมองไม่เห็นมันต้องใช้วิเคราะห์การถึงใจเห็นมีตัวอย่างมีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีความสงสัยในเรื่องความไม่เที่ยงว่าเป็นอย่างไรก็เลยจะไปถามกราบถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็ไป ไปกาศไปที่กุติที่อำนักของพระพุทธเจ้าพอดีฝนตกก็เลยยืนรออยู่ที่ชายคายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก็เห็นน้ําฝนหยดน้ําฝนที่ตกลงมาจากหลังคาแล้วก็ลงไปที่ดินที่ปีน้ําเจิ่งนองอยู่น้ําฝนตกลงมาก็กลายเป็นฝองน้ําฟองน้ําแล้วเดี๋ยวฟองน้ํานั้นก็แตกหายไป ท่านดูไปดูไปท่านก็เข้าใจอ๋อนี่คือความไม่เที่ยงมีเกิดมีดับแล้วท่านก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆก็เหมือนกันหมดร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงเพียงแต่ว่ามันการเปลี่ยนแปลงมันช้ามันไม่เหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำนี่เห็นได้ชัดเจนรวดเร็วท่านก็เลยไม่ไม่ต้องขึ้นไปถามพระพุทธเจ้า เอได้คำตอบด้วยจากการวิเคราะห์พิจารณาด้วยตนเองก็ไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราต้องพิจารณาต้องวิเคราะห์ถ้าดูเฉยๆนี่จะมองไม่เห็นเห็นร่างกายวันไหนมันก็เหมือนกันทุกวันแต่ถ้าเราภาพถ่ายของร่างกายที่เราถ่ายไว้เมื่อสิบปียี่สิบปีก่อนมาดูนะ เราถึงเห็นว่าโอ้ยมันคนละคนนะเนี่ยมันไม่เที่ยงเยเราต้องรู้จักคิดเนี่ยหรือเรามองคนที่เขามีอายุมากกว่าเราเราก็ต้องคิดว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้มาเขาก็เกิดมาเหมือนเราเขาจะต้องเกิดมาเหมือนเราเขาจะต้องออกมาจากท้องแม่เหมือนเราะตอนที่เขาออกมาจากท้องแม่เขาก็เป็นเด็กทารกนแต่พอระยะเวลาผ่านไปเอดี๋ยวนี้เขากลายเป็น คนรูปร่างหน้าตาแบบนี้แหละอันนี้เราต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ถึงจะเห็นอันนี้จังปัญญามันถึงยากยากตรงที่ว่าเราไม่มักจะมองไม่เห็นกันเห็นอะไรเรามักจะคิดว่ามันจีรังถาวรได้อะไรมาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยแต่ของทุกอย่างได้มาแล้วใช่เป็น สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเสียเห็นไหมเครื่องใช้ไม้สอยที่เราใช้ถ่ายทอดนี่เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือความมันนิจจังเป็นอย่างนี้ถ้ามันนิจจังมันก็ต้องไม่เสียมันต้องใช้ไปได้ตลอดซื้อมาอย่างไรวันที่ซื้อจากร้านเป็นอย่างไรก็ใช้ไปได้เรื่อยไปจนวันตายเมันไม่มีวันตายด้วยซ้ําไปถ้ามันถ้ามันจีรังมันก็ไม่มีวันตาย ร่นางกายของเราก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าตายถ้ามันเป็นนิจังสุขขังอนัตตาอันนี้คือความหลงที่เป็นต้นเหตุทำให้เราอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาเราจึงอยากได้าดลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ อยากได้ความสุขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพพะก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงมันจะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแตม่มันเสื่อมช้าเปลี่ยนแปลงช้ามันเลยทำให้เรามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ บางทีเราจึงต้องอาศัยดูคนอื่นเป็นตัวอย่างดูคนที่แก่กว่าเราไปดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลไปงานศพเพื่อไปดูคนที่เขาเคยเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เขาตายแล้วแล้วเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่ก็ไม่เที่ยง บุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่เที่ยงต้องมีการแก่การเจ็บการตายไปบางคนก็ตายเร็วกว่าเราก็มีตายช้ากว่าเราก็มีเจ็บก่อนก็เจ็บก็เจ็บก่อ น, เ, อนเราก็มีหรือเจ็บมากกว่าเราก็มีเจ็บน้อยกว่าเราก็มีมันไม่แน่นอนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่แน่นอนว่าคือก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคน แต่สิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้เราก็ไม่รู้อีกเราก็ไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเพราะไม่มีใครสอนใครบอกตั้งแต่เกิดมานี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายนี้เป็นเหมือนม้าที่เราขี่นะเราขี่มา้าขี่ร่างกายคนขี่กับม้านี้เป็นคนละคนกัน คนขี่เป็นคนสั่งให้มา้าวิ่งให้มา้าเดินให้มา้าหันไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาแต่คนขี่กับม้านี่เป็นคนละคนกันไม่มีใครสอนทุกคนสอนว่าเป็นตัวเราของเราต้องเลี้ยงดูรักษามันอย่างเต็มที่ส่วนตัวเราจริงๆไม่มีใครสอนให้เลี้ยงดูเลยว่าตัวเรานี้เราควรจะเลี้ยงดูตัวเราอย่างไรสอนให้เราไปเลี้ยงดูตัวมา้า ตัวร่างกายเราคิดว่าร่างกายกับตัวเราเป็นตัวเดียวกันเป็นคนเดียวกันเราเลยไม่ได้รับการดูแลเราก็เลยเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรเดือดร้อนเวลาที่เราเสียสิ่งที่เราเราได้มาไปเดือดร้อนที่เราต้องไปวุ่นวายไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เขาไม่มีใครสอนว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้มาแล้วจะทําให้เราทุกข์กันมีแต่จะสอนว่าได้ได้มาแล้วจะให้เราสุขกันได้ลาบยศสรรเส ร, ริญได้รูปเสียงกิริย์แล้วแล้วเราจะมีความสุขกันเอก็เลยสอนให้ไปในทางหลงกันทั้งหมดเนี่ยมีคนเดียวนะที่ไม่หลงคือพระพุทธเจ้า ที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันต้องมีวันเสื่อมวันดับทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยากดีกลายเป็นไม่ดีของดีกลายเป็นของเสียพอกลายเป็นของเสียก็ทุกข์กันแล้วใช้ไม่ได้ลดเสียเคยใช้ลดทุกวันไปไหนมาไหนก็ใช้ลดไปพอวันดีกดีลดเสีย วันก่อนแอดมินก็ลถเสียได้ชาร์จไม่ใช้ไม่ได้เดียวร้อยแะต้องใช้รถมาลากกลับไปเข้าอู่เพราะนั้นสุขหรือทุกข์ทุกข์นั่นแหละแต่ยังทุกข์แบบพอที่จะเยียวยาได้แต่บางอย่างนี่เยียวยาไม่ได้เช่นร่างกายนี่บางทีมันเป็นแล้วมันรักษาไม่ได้ เะ น, นั้นมันจะทกยาวเลยเพราะมันอยากจะให้หายดาบใดที่มีความอยากจะให้มันหายแล้วมันไม่หายมันก็จะทําให้เราทุกข์กันเพราะเราว่าไม่มีปัญญาอันนี้คือขั้นของปัญญาขั้นที่สองขั้นแรกเรียกว่าส ม, มถภาวนาวิธีแรกทําใจให้สงบดับความทุกข์ดับความอยากดับความวุ่นวายใจต่างๆด้วยสติไปก่อน เพราะว่ามันง่ายสอนให้ใช้สติมันง่ายกว่าสอนให้ใช้ปัญญาปัญญานี่บางคนมานั่งฟังเทศไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วยังมาถามอยู่นั่นอันนี้จังเป็นยังไงอนนันตาเป็นยังไงก็มันเห็นอยู่อย่างนี้มันจะให้อธิบายยังไงมันไม่เห็นเองเหมือนคนที่เห็นโลกแบนเนี่ยเห็นยังไงก็อธิบา ย, ยงไงมันก็เห็นว่าแบนอยู่นั่นนะ ก็ถ้าไม่มีปัญญาวิเคราะห์ด้วยตนเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าโลกนี้มันไม่แบนมันกลมเอแต่สมัยนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วมีคนเขาถ่ายรูปมาให้ดูเอมีส่งยานอวากาศออกไปนอกโลกแล้วก็ถ่ายรูปภาพของโลกนี้มาให้เราดูเลยเนี่ยโลกของเรามันกลมอย่างนี้เอแล้อมี นักวิทยาศาสตร์ก็ประดิษฐ์ลูกโลกกลมลูกโลกเทียมเอามาให้เราดูเป็นแผนที่ให้เราเห็นทวีปต่างๆเห็นมหาสมุทรต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้แต่สมัยก่อนถ้าไม่มีพวกนี้คนนี้จะไม่รู้เลยว่าเป็นโลกมันโลกโลกมันกลมจะคิดว่ามันแบนมองไปที่ไหนมันก็ลาบไปหมดมองออกไปที่ทะเลมันก็ลาบไปหมด คนยังไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆ ก, กลัวเดี๋ยวจะตกออกขอบโลกไปแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์นักคิดค้นที่คิดว่าโลกนี้มันกลมด้วยการสังเกตดูว่าเช่นเรือที่วิ่งเข้ามาจากที่อยู่ไกลนี้เวลาเข้ามาเนี่ยทำไมเราถึงเห็นเสาวกรวะโดงก่อน ทำไมเราไม่เห็นทั้งลำตัวเลยถ้ามันแบนมันก็ต้องเห็นทั้งลำแสดงว่าพื้นผิวน้ามันไม่แบนนะมันโค้งมันวาวนี่มันโค้งวาน้อยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันแบนแต่มันใหญ่ไงความโค้งว้ามันก็เลยดูเห็นได้น้อยแต่ก็สรุปได้ว่ามันไม่แบนมันโค้งคนขี่ม้าเหมือนคนขี่ม้าข้ามเขาเห็มไม เขามันโค้งไหมเวลาขี่ม้าข้ามเขาเราจะเห็นคนก่อนเห็นตัวมา้าเราจะเห็นส่วนที่สูงก่อนที่จะเห็นส่วนที่ต่าจะไม่เห็นพร้อมกันถ้าขี่ม้ามาจากทางลาบเนี่ยพื้นลาบพื้นเรียบเนี่ยก็จะเห็นพร้อมกันหมดทั้งมา้าทั้งคนขี่ต้องใช้ความคิดเนี่ยถึงจะเห็นอ น, นิจจังถึงจะเห็นอนัตตายิ่งอนัตตานี่ยิ่งยากใหญ่ เพราะตัวจิตนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ร่างกายเห็นแต่ร่างกายเราก็เลยไปเหมาว่าตัวจิตคือผู้รู้ผู้คิดมันก็ต้องอยู่ในร่างกายเพราะเวลาตาเห็นรูปผู้รู้ก็รู้รูปรู้ว่าเห็นรูปพอได้ยินเสียงผู้รู้ก็ก็ได้ยินเสียงไปกับหูก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่เดียวกันอันนี้ก็ ต้องอาศัยคนที่เขามีวิธีวิธีที่จะรู้ว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนวิธีแรกก็เกิดนี่แหละการนั่งสมาธิการฝึกทำจิตให้สงบการดึงดึงจิตออกจากตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็นเป็นเหมือนกับเหมือนกับคนขี่มา้าคนจะขี่ม้านี่จะต้องเอาบังเหียน ไปผูกกับมา้าเอาที่นั่งไปตใส่ไว้บนตัวม้าก่อนถึงจะขึ้นไปขี่ม้าและควบคุมม้าได้จิตจะควบคุมร่างกายได้ก็ต้องส่งกระแสจิตมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายแต่จิตมีพลังมีมีความรู้คือมีการรับรู้ได้ ร่างกายนี้ไม่มีการรับรู้มีแต่เพียงแต่รับรูปเสียงกลิ่นรสรับภาพแต่ตัวร่างกายเองไม่รู้ว่าตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรผู้ที่รู้คือจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นผู้ที่ส่งกระแสเหมือนกับเอาบังเหีนมาผูกไว้กับมา้าเอาที่นั่งมาผูกไว้กับตัวมา้าเพื่อจะได้ขึ้นขี่และควบคุมตัวม้าได้จิตก็ส่งกระแสของวิญญาณ ในขันห้าเนี่ยวิญญาณในขันห้าเนี่ยคือวิญญาณทางตาก็มารับภาพเวลามีตาไปเห็นภาพต่างๆ่วิญญาณทางตาก็จะรับภาพส่งไปให้จิตผู้รู้ทันที เ, นเวลาเสียงมากระทบกับหูวิญญาณทางหูก็จะมารับเสียงส่งไปให้กับผู้รู้คือจิตนี่นี่คือการมาเชื่อมต่อระหว่างร่างกาย กับจิตใจมาเชื่อมตั้งแต่ตอนที่มีปฏิสนธิเนีตอนที่เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาตอนที่มีส่วนผสมของพ่อกับของแม่มามารวมกันพอมาเริ่มก่อตั้งตัวปั๊บเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณก็มามาทันทีส่งส่งวิญญาณทั้งห้ามาเกาะที่ร่างกายนี้ทันที ตอนต้นก็เกาะเพียงตัวเดียวก่อนมันเกาะที่ร่างกายก่อนพอมีตาก็ไปเกาะที่ตาเพราะร่างกายเวลาเริ่มต้นมันไม่ได้มีทั้งหมดครบทั้งสามสิบสองอาการเนี่ยมันก็ค่อยๆเกาะร่างสร้างตัวขึ้นมาวิญญาณก็จะมาเกาะทีละส่วนทีละส่วนไปพอมีตาก็ไปเกาะที่ตาพอมีหูไปเกาะที่หูะ ต่อไปก็จะครบห้าส่วนตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอร่างกายออกมาจากท้องแม่ใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆสิ่งแรกก็สั่งก็ให้ร้องร้องพอเกิดทุกขเวทนาในร่างกายเกิดความหิวหรือเกิดการขาดลมหายใจออกมาไม่หายใจเองก็ต้องร้องนะร้องเขาก็เลยต้องทำให้ เด็กหายใจใช่ไมเมื่เราออกมานี่เด็กหายใจเองไม่เป็นใช่ไหมต้องกระตุ้นก่อน น, ะนอ่ ะ, ะนั่นแหละใช่ไหมแต่เด็กมันล้องก่อนใช่ไหมอัอนนี้แหละก็แสดงว่าจิตนี่แหละเป็นตัวที่สั่งให้ร่างกายร้องอเพราะจิตมันไปรับทุกขเวทนาแล้ว มันไปสัมผัสกับพวดทพะทางร่างกายทำให้เกิดเวทนาคือความทุกข์ใจขึ้นมาอึดอัดหายใจไม่ออกมันก็ร้องมันก็เลยได้รับการบรรเทาจากพยาบาลหรือหมอก็หายใจได้หายใจได้มันก็หยุดร้องใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอมันปวดฉี่มันก็ร้องขึ้นมาเดี๋ยวหิวน้ำมันก็ร้องขึ้นมาเนี่ยตัวจิตไม่ใช่ตัวร่างกาย เราเจ็ดเป็นผู้ที่รู้ว่ากำลังหิวน้ำรู้ว่ากำลังเจ็บท้องแล้วผู้ที่เป็นพยาบาลหรือพ่อแม่ก็ต้องมาศึกษาว่าต้องการอะไรตอนต้นก็เอาขวดนมให้ก่อนแล้วถ้าร้องก็ให้ขวดนมถ้ายัางไม่ใช่ก็อาจจะเป็นอย่างองื่นก็ต้องวิเคราะห์ไปหนาวเกินไปหรือเปล่าเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้หรือเปล่า อันนี้ก็นี่เป็นเรื่องการทำงานของจิตนะที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีความรับรู้อะไรมันเป็นเพียงแต่ผู้ที่จะรับกามคุณทั้งห้าเข้ามาสู่ใจเท่านั้นเองคือรับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจเนี่แหละเป็นผู้สั่ง ให้ร่างกายทำอะไรต่อไปต่อไปพอร่างกายเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเริ่มทำอะไรได้เองใจก็จะสั่งให้ร่างกายเดินให้ร่างกายยืนให้ร่างกายวิ่งให้ทำอะไรต่างๆทีนี้ใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเราไม่มีความสามารถที่จะรู้รู้แยกแยะได้ว่ามันเป็นคนละส่วนกันเราก็เลยไปเหมาว่ามันเป็นส่วนเดียวกัน หมาว่าใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปกับร่างกายเพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเหมือนคนขี่ม้ากับมา้าม้ามันไปเหยียบไปตกลุมทําให้ขามันเจ็บเนี่ยคนขี่ม้าก็ไปเจ็บกับกับมา้า ถ้าคนขี่ม้าไปคิดว่าเป็นตัวมา้าเพียงแต่ว่าคนขี่ม้ารู้ว่าไม่ได้เป็นตัวม้าก็ไม่ได้ไปเจ็บกับมันแต่ใจนี้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็เลยไปเจ็บกับร่างกายไปเป็นกับร่างกายอันนี้แหละเป็นความหลงที่แก้ยากจะแก้ความหลงนี้ก็ต้องต้องอาศัยการแยากกายแยกใจด้วยการ ใช้สติอยกก่อนทำสมาธิพอเวลาเราทาสมาธินี้เราจะหยุดความคิดปรุงแต่งที่ส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกรินกายนั่นเองเราจะคิดไปทางตาหูจมูกรินไอ่คิดว่าจะดูอะไรดีจะฟังอะไรดีจะดื่มอะไรดีคิดอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่กับห้าเรื่องนี้น่ะเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผธตภะ เรื่องของคนนุ้นคนนี้มันก็เรื่องของรูปใช่ไเพราะคนนู้นคนนี้เราเราเห็นเขาได้ก็ต้องมีตามันก็เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นถึงม้ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทั้งนั้นใจเราจะส่งไปหาสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาการมาฝึกติมาหยุดความคิดปรุงแต่งนี่ก็เป็นเหมือนกับการถอน ถอนสายของวิญญาณถ้าเราพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะใจก็จะไม่กระแสของใจที่วิ่งไปทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะหดเข้ามาหดเข้ามาที่ตัวใจเข้ามาที่ตัวรู้ตัวผู้รู้พอเราสามารถดึงให้มันออกมาได้เต็มที่ใจก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วเขาความรับรู้เรื่องของร่างกายก็จะหายไป เหแต่ผู้รู้อยู่ตามลําพังเหรือสาตว่าสักแต่ว่ารู้รผู้ที่บปฏิบัติจิตตภาวนานี้จะเริ่มมีความเห็นมีความเข้าใจว่าจิตกับร่างกายนี้มันเป็นคนละอันกัน อ, อันนี้ก็เป็นวิธีแรกที่เราจะสามารถดึงจิตออกจากร่างกายได้แต่เราจะดึงออกได้เพียงชั่วคราวเพราะกําลังสติของเรามัน ไม่มีมากหถึงแม้จะมีมากแต่ความที่เรายังมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายเวลาร่างกายมันต้องการอะไรเราก็ต้องออกมาจัด ก, การดูแลให้กับมันเช่นเดี๋ยวมันหิวมันปวดท้องฉี่ก็ต้องออกจากสมาธิมาดูแลร่างกายเราก็จะแยกออกจากกันได้เป็นพักๆนี่ถ้าเวลาออกมาจากสมาธิ ถ้าจะต้องการทําการแยกต่อทีนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเอใช้การสอนใจว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเอใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเอใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรไปต่างๆเวลาร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นอะไรได้พิสูจน์เห็นแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาใจสงบนี้ไม่เดือดร้อนเลยไม่ได้เจ็บไปกับความความเจ็บของร่างกาย จะไม่รู้สึกแก่เลยใจของเราเนี่ไม่มีวันแก่ใช่ถึงแม้ร่างกายจะแก่อย่างไงใจเรายังกระพี้กระเป่ากระฉับกระเฉงเหมือนกับหนุ่มกับสาวอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าร่างกายมันตอบสนองความหนุ่มความสาวของใจไม่ได้เท่านี้นเใช่ไหอันนี้มันก็พิสูจน์ได้ถ้าเราคิดกันหน่อยก็จะเห็นว่าใจกับร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของที่เสื่อมไปพร้อมๆกันเป็นไปด้วยกันเป็นคนละสัตว์คนละส่วนกัน อันนี้จะเห็นชัดตอนที่เรานั่งสมาธิเห็นว่าร่างกายเป็นอะไรพอจิตสงบนี่จิตไม่รับรู้เรื่องร่างกายแล้วสบายแต่พออยากสมาธิมาพอมาเริ่มรับรู้กับเรื่องของร่างกายอาแล้สิร่างกายมันเป็นอะไรก็เริ่มรับรู้แล้วก็เลยเป็นไปกับมันต่ อ, อ นี่ถ้าไม่อยากจะเป็นไปกับมันต่อออกมาจากสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นมันนะมันเป็นม้ามันเป็นเราเป็นคนขี่ม้ามันเป็นอะไรรักษาได้ก็รักษาไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอยู่กับมันไปก็ใช้มันน้อยหน่อยก็แล้วกันถ้ามันวิ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มันวิ่งพอแก่แล้วก็เนี่ยจะไปทาเหมือนตอนที่มันหนุ่มก็ไม่ได้ รถเก่าเราจะให้มันวิ่งเหมือนตอนที่เป็นรถใหม่ก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ร่างกายไปตามสภาพของมันแล้วก็เตรียมส่งมันเข้าเอาเข้าลงซ่อมบ่อยๆต้องส่งไปโรงพยาบาลบ่อยๆเพราะเดี๋ยวมันก็จะเสียเรื่อยๆส่งไปจนกทั่งช่างที่อู่บอกซ่อมไม่ไหวแล้วซ่อมไม่ได้แล้วเอทีนี้ก็ส่งไปที่วัดต่อส่งไปที่ลง ชำแหละเรียกว่าลงกำจัดเนี่ยรถเขาก็มีลงลงกำจัดรถแ ล, ดล้วไปเอาแยกสัตว์ชิ้นส่วนต่างๆออกจากกันไปขายเป็นเศษเหล็กไปส่วนไหนยังใช้ได้ก็เอาไปใช้ต่ออคนเราเดี๋ยวนี้ก็เหมือนรถเห็มไหมเวลาตายถ้าตับยังใช้ได้ก็บริจาคให้คนอื่นไปปอดยังใช้ได้ก็บริจาคให้คนอื่นไปส่วนไหนใช้ไม่ได้เขาก็าไปเผาทิ้งไปเอ นี่เหมือนกันร่างกายของเราเป็นเหมือนนถยนต์ใจเป็นคนขับอันนี้ต้องสอนแล้วต้องกล้าเชื่อความจริงอันนี้กล้ายอมต้องอยาไปอยากให้ร่างกายเป็นอะไรตัวที่ทำให้เราทุกข์ให้วุ่นวายใจกับร่างกายก็คือตัวความอยากอยากให้มันดีแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันก็ดีได้ในส่วนของมันตามกําลังของมันถึงเวลามันจะดีมันก็ดี ถึงเวลามันไม่ดีมันก็ทำอะไรมันไม่ได้ต้องยอมรับเป็นถ้าเรายอมรับแล้วทาใจเฉยได้ใจเราจะไม่เดือดร้อนเราเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่ได้แม้แต่พตระพุทธเจ้าเองก็เปลี่ยนแปลงร่างกายของพระองค์ไม่ได้ร่างกายของพระองค์ก็ต้องตายไปในที่สุดแต่ใจของพระองค์ไม่เดือดร้อนเหมือนกับมีร่มชูชีพนี่เองถ้ามีธรรมะมีปัญญามีสมาธิ จะสามารถสอนให้ใจเฉยได้ปล่อยวางได้ปล่อยวางกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ปล่อยวางแตไไ่ไม่ได้ไม่ได้ทอดทิ้งปล่อยวางแต่ดูแลแต่ใจไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายยายังต้องทำอะไรได้ก็ทําไปต้องกินยาก็กินยาพระพุทธเจ้าก็ฉันยาใช่ไอมมีหมอชีวกเนี่ยหมอชีวกนี่เป็นหมอของพระพุทธเจ้า หมอชีวกก็หายามารักษาอยู่เรื่อยๆเวลาอาพาธเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็มียาสมุนไพรต่างๆมารักษาตามอัตภาพแต่พอถึงขีดที่มันรักษาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไ ป, ไปเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าใจมีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยและมีสมาธิที่ทําให้ใจวางเฉยได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับ กับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปเอรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแต่ใจจะไม่ทุกข์แม้แต่แม้ว่าร่างกายจะเจ็บอย่างไรปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เจ็บที่ร่างกายใจจะไม่ดูดเข้ามาที่ใจจะไม่มาเจ็บที่ใจด้วยผู้ที่แยกร่างกายได้ก็เป็นเหมือนหยดน้ำํำบนใบบวัวเนี่ยนะ น้ำกับใบบัวนี่มันจะไม่ซึมมันไม่ดูดเข้าหากันใจกับร่างกายก็จะไม่ดูดเข้าหากันแต่ผู้ที่แยกไม่ได้ก็เป็นเหมือนน้ำกับกระดาษซับกระดาษซึมเนี่ยพอหยดน้าลงไปที่กระดาษซับนี่มันก็จะถูกกระดาษนี่ดูดซึมเป็นเป็นเนื้ออันเดียวกันใจที่ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธินี่ก็จะเป็นอย่างนี้จะถูกความหลงอุปทาน ดูดเข้าไปเป็นตัวอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปกับร่างกายร่างกายแก่ก็ใจก็แก่ไปกับร่างกายคิดไปเองคิดว่าตนเองแก่คิดว่า ต, น เ, าตนเองเจ็บคิดว่าตนเองตายแต่ใจไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บ <entimes> พอตายไปเป็นยังไงก็ไปเป็นเด็กใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ พอออกมาจากท้องแม่ได้ร่างกายหมยก็คิดเป็นตามร่างกายไว้ตอนนี้เราเป็นเด็กแล้วตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เป็นสาวก็คิดว่าเราเป็นสาวกันใช่ไหเดี๋ยวพอแก่ก็คิดว่าเราแก่กันแต่ใจมันไม่มีวันแก่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่มันยังเป็นธรรมชาติที่ถูกอวิชาความหลงมาคอยสร้างความทุกข์ มาหลอกให้มันสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอยู่เรื่อยๆอวิชชาจะหลอกให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจแต่สิ่งต่างๆที่ไปหามานี้มันล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งต่างๆที่อวิชชาหลอกให้ใจไปหาก็คืออะไรก็คือลาบยศจัลเสิญคือรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเนี่ยทุกคนพอมาเกิดปั๊บก็มุ่งมาหาตัวนี้ทันทีหาโลกธรรมแปด หาลาบยศจะรเสริญสุขกันล้วก็ต้องมาทุกเวลามันเสื่อมกันนี่คือเรื่องของธรรมะพอเรามีธรรมะแล้วทีนี้เราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ความสงบอยู่ที่ใจอยู่ที่การทาใจให้สงบอยู่ที่การฝึกสมาธิอยู่ที่การจเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา พอเรามาปฏิบัติสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาเราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสของความสงบนี้เหนือกว่าความสุขของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆยุทที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะเป็นสุขแบบควันไฟ สุขแบบชั่วข่าวสุขแบบมีความทุกข์ผสมประสานมาอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์มาผสมด้วยเป็นความสุขที่อิ่มเอิบใจอันนี้เราโชคดีมีคนรู้ความสุขกันนี้มาแก้วิชวิชาคือความหลง พอเรามาปฏิบัติเราได้พบกับความสุขเอเราก็จะไปเลือกหาความสุขแบบเดิมต่อไปเราจะไม่ไปหาลาบยศสรรเสริญจะไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเอกรอีกต่อไปดูพระพุทธเจ้าพาระหลันทั้งหลายนี่พอท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านไม่ไปหาอะไรเลยท่านอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความไม่มีอะไรไม่ได้อยู่กับลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะท่านมีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าอยู่ภายในใจคือความสุขที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนี่พระพุทธเจ้าไม่เคยกลับไปอยู่ในวังอีกต่อไปหลังจากที่ตัดสรู้แล้วไม่มีวันกลับถ้ายังไม่ตัดสัรู้ไม่แน่ถ้าสู้ไม่ไหวอาจจะถอยก็ได้เหมือนกับคนที่สมัยนี้บวชแล้วบวชแล้วสู้ไม่ไหวก็ถอยกลับไป กลับไปอยู่เป็นคารวาสใหม่กลับไปหาลาบยศสะรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่แต่ผู้ที่บรรลุแล้วนี่จะไม่กลับกันเพราะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เหนือกว่านั้นเองยังไม่ต้องกลับไปหาความสุขที่มีความทุกข์นี่แหละคือธรรมะที่พระเจ้าส่งสอนและที่พวกเรามาศึกษากันพวกเราศึกษาแล้วถ้าเราอยากจะให้ธรรมะทำหน้าที่ คุ้มครองรักษาใจของเราให้สงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเอาธรรมะมาประดิษฐานในใจเราคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังเป็นธรรมะภายนอกอยู่ยังไม่สามารถทำใจให้เราไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้การที่จะเอาธรรมะเข้าสู่ใจก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้เอง อยู่ที่การมาปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาด้วยการมีศีลเพราะศีล น, นี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้เรามีเวลามาปฏิบัติถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันพอมีศีลก็จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมต่างๆเราก็จะได้มีเวลามามาปฏิสฐานธรรมะเข้ามาในใจของเราด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิ ควบคุมจิตใจด้วยสติให้หยุดความคิดปรุงแต่งพอจิตหยุดความคิดปรุงแต่งเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เรารู้ว่านี่แหละสิ่งคือสิ่งที่เราต้องคอยแสวงหาคอยรักษาเพอออกจากสมาธิพอความสุขนี้เริ่มจางเราก็หัดใช้ปัญญากันเพราะว่าตัวที่มาทําลายความสุขก็คือความอยากต่างๆ ยังมาหลอกให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรัดอยู่เอาจากสมาธิเดี๋ยวมาชวนเราไปดื่มกาแฟได้นะเดี๋ยวมาชวนเราไปดูลายได้ชวนเราไปเปิดดูออะไรในโทรศัพท์ไดนะ้แต่ถ้ามีปัญญาหัวอย่าไปไปแล้วเดี๋ยวจะร้อนจะฟุ้งขึ้นม า, ากลับเข้าไปสมาธิดีกว่าหรืออย่างน้อยก็หยุดมันอย่าไปทำตามมัน ถ้ามีกำลังก็หยุดมันไม่ดูมันใจก็กลับมาสงบไม่ร้อนไม่วุ่นวายใจต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจเราร้อนไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจเราก็จะเย็นจะสงบไปตลอดเนี่ยพระพุทธเจา้าจึงบอกว่าบรมสุขนิพพานังปรรมังสุ ข, ข, ขังอันนี้เป็นความสุขที่ถาวร แต่ความสุขที่เราได้จากช่วงที่เราปฏิบัตินี้ยังเกิดดับเกิดดับอยู่เวลาไหนตันหาความอยากโผล่ขึ้นมาความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาแต่พอเรากำจัดมันได้ด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปแล้วต่อไปความอยากต่างๆที่ได้รับการกำจัดด้วยปัญญาก็จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปแต่ถ้าได้รับการกาจัดด้วยสติมันยังจะกลับมาอีกเพราะสติไม่สามารถกาจัดมันได้ เพงแต่ควบคุมหยุดมันได้เป็นพักๆเท่านั้นเองอ น, น, นี้คือเรื่องของร่มชูชีพของจิตใจคือธรรมะถ้าเรามีล่มชูชีพของจิตใจแล้วจิตใจเราจะปลอดภัยเครื่องบินจะตกนั่งกายจะตายจิตใจไม่เดือดร้อนจิตใจสบายยังขอให้ท่านลองเอาธรรมะที่พรธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไปประดิษฐ์ไปประดิษฐสถานในใจด้วยการ ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันแล้วต่อไปจิตใจจะมีแต่ความนุ่มเย็นเป็นสุขจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิ อิีิตังปฏตติตังตุมหังคิปะเมวะสะมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปายันโทปะนาหะโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวัจจานโต สัพพโรโควีนัตสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศีริสานิจังจจวุทฒาปะจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยแปดสิบเอ็ดยทัหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดทงวิทยุออนไลน์สามสิบสามรับฟังข้างบนเขาวันนี้สามสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเป็นห้าร้อยเก้าสิบสองครับออถ้ามีใครอยากจะถามคำถามก็ตอนนี้ถามได้ ถ้าอยากจะถามยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้เวลาพูดขอให้พูดผ่านทางไมโครโฟนเอจะได้ยินเสียงกราวเขากาสพระอาจารย์ค่ะใกล้ๆหน่อยแต่กาวเขาขาสพระอาจารย์นะคะโยมจะคือเรียนความก้าวหน้ากับสอบถามนิด น, นึงกับการ ป, ปฏิบัติของโยมมาเจ้าค่ะคือโยมนั่งแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้ประมาณชั่วโมงกับครึ่งทีนี้พอนั่งแล้วมันก็นิ่งนิ่งไอเวทนาที่ตอนแรกตอนนั่งเริ่มเนี่ยคือโยมจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังกับ กักเข่าเงี้ยค่ะมันก็จะหายไปไม่เกิดแต่เสร็จแล้วเนี่ยโยมไม่มีปิติอ่ะเจ้าค่ะมันจะเข้าไปว่างนิ่งๆอยู่อ๋อไม่จําเป็นปิติตกลุมตกบ่อนี่มันเป็นบางครัง้งบางคราวบางเวลาบางคนคมีแสงบ้างปิติบ้างน้ําตาไหลบ้างเช้ค่ะบางทีอาจจะเกิดในครั้งแรกๆแต่ครั้งต่อไปมันอาจจะไม่เกิดก็ได้คือมันนิ่งๆเลย <ขอ S 1> ไม่ ม, มีอะไร ใ, ะให้มานั่งเฉยๆแล้วมันสุขกันนะแล้วเวทนาก็ไม่เกิดไม่อะไรเงี้ยเจ่พยายามนั่งไปนานๆ เจ้าค่ะนั่งบ่อยๆเจ้าค่ะแล้วขั้นต่อไปถ้าอยากจะสู้กับเวทนาก็นั่งเวลามันเจ็บก็อย่าเพิ่งลุกหัดลองแยกแยกด้วยสติก่อนก็ได้พอมันเจ็บเราก็ภาวนาต่อพุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะอย่าให้อย่าไปสนใจกับความเจ็บใยมันเจ็บไปเจ้าค่ะ ม, มีข้อสงสัยอีกนิดนึงตรงที่บอกว่าให้ดูกายนะจ๊าคะเราโยมก็ไปอ่านในเป็นหนังสือเล็กๆสติปทานสูตรนะครบับอกว่าเวลาเข้าห้องน้ําปัสสาวะก็ให้ดูอุจระก็ให้ดูแต่โยมไม่รู้ว่าเขาให้ดูยังไงน่จ๊ะคะอ๋อไม่นี้คือให้มีสติอยู่กับกิจกรรมที่เราทําอยู่อ ค, คือไม่ใช่อุจาระไปแล้วก็ไปคิดว่าไปที่นูน่นที่นี่บางคนไม่ยอมคิดถึงว่าตนนัวเองกําลังทํากิจกรรมนี้อยูไ่ไม่ได้คิดถึงว่ามัน การที่เข้าไปเข้ายัางไงแล้วออกไงอย่างี้ใช่ไหมเจ้าคะก็ได้อันนั้นเป็นระดับปัญญาไงมันมีอสองระดับด้วยกัน<อ>ถ้าระดับสติก็เพียงแต่ให้ดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เจ้าค่ะอย่าให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นเจ้าค่ะคือพูดง่ายๆก็คือไม่ให้ไปคิดอะไร ให้ดูว่าเรากําลังทําอะไรกําลังรับประทานก็รับอยู่กับการรับประทานใจกําลังขับถ่ายก็อยู่กับการขับถ่ายไปชกําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําไปอันนี้หมายถึงเวลาเราเจริญสติมันมีสองส่วนไงสติและปัญญาแต่ไม่ได้ทําพร้อมกันขั้นต้นเราถ้ายังไม่มีสติเราต้องเจริญสติก่อนพอเรามีสติมีสมาธิแล้วเราค่อยไปเจริญปัญญานี่เจริญปัญญานี่เราก็ แล้วแต่ว่าเราต้องการพิจารณาอะไรเราก็พิจารณาได้ทั้งขณะที่ เกิดเหตุการณ์จริงและขณะที่ไม่เกิดเหตุการณ์จริ ง, รงเช่นเราพิจารณาร่างกายนี้มีแต่ของสปกปรกขับถ่ายออกมารรเราก็คิดไปโดยที่ไม่ต้องเข้าห้องน้ําก็ได้าาแต่เวลาเข้าห้องน้ํามันมีของจริงก็ดูมันไปด้วยก็ได้ <laughs> มันจะได้เห็นชัดๆอันนี้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเนี้มันมีของสปกปรกไม่สวยไม่งาไม่น่าดูอย่างที่เราคิดกันเออันนี้เพื่อ มันเป็นปัญญามาดับกามารมกามรา ค, าคะเอันนั้นคนละระดับกันคนละเรื่องกันคออรั บ, บราทางนี้มีใครอยากจะถามว่าคุณศรีสุรางไม่ได้ท้าทายนะถ้าไม่อยากจะถามไม่ต้องถามเดี๋ยวยาว่าท้าทายถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะ่ะให้คนก็มีคําถามถามกันแล้วกันเอ อนุพูดใกล้ใกล้ปากหน่อยจะได้ยินเสียงเมื่อสองสาธิให้ใกล้ปากหน่อยคือเมื่อถึงเมื่อสองสมาธิที่แล้วที่หลานหลานยายมามากรุงเทพนะฮะทราบว่ามีมีความรู้มาจากหลานหลานว่าที่ที่โรงเรียน เขาที่เมืองเคมบริดจ์นะที่ใกล้ๆปาเนี่นก็จะได้ยนเสียงที่ประเทศอังกฤษค <c oughs> ่ะอ่าเป็นโรงเรียนคริสคริสตังเนี่นะคะเขาได้เริ่มสอนมาหลายปีแล้วนะคือไปเชิญไปเชิญ อ, อพวกสมาคมชาวพุทธอังกฤษนะคะที่อยู่ในเมืองมาสอนมาสอนเด็กๆมายฟูเนสมายฟูเนสค่ะ <Mind> สอนให้ให้เด็กเนี่ยฝึกสติตัวเองเพราะว่าโรงเรียนมีปัญหานะอันนี้เป็นเป็นโรงเรียนโรงเรียนใช่ไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลมคริสตินนะ เ, เพราะว่ากฎหมายเขาห้ามตีเด็กกันนะฮ mm hmm. แล้วทำยังไงจะจะสอนพูดยังไงบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะฮะ mm hmm. เขาก็เลยต้องออหาทางทำให้เด็กเนี่ย สำนึกได้ตัวเองด้วยตัวเองคิดได้ตั ว, ตวเองให้รู้จักทําความสงบนะคะโดยโด ย, โดยให้เรียนรู้ว่าการทําการเจริญสติเนี่ยมันเป็นยังไงจากจากวิถีของชาวพุทธแต่ว่าไม่ได้มีให้ให้ให้ใส่จะศรัทธาคือเฟซนะไม่ให้ใหไม่ไม่ได้บังคับให้เด็กเป็นชาวพุทธคือคือให้เด็กเนี่ยเรียนรู้วิธีการ ว่าเป็นเป็นเทคนิคที่ชาวพุทธเขาทํามาแล้วเขามีใจสงบยังไงบางคนก็เด็กก็เกเรนะคะก็หรือแมก้กระบางคนก็สมาธิสั้นนะคะแล้วก็ครูเรียนก็ไม่ค่อยได้ว่านะเออพวกนี้บงังเอ อ, เ อ, อครูบางคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าเด็กเนี่ยขี้เกียจเด็กไม่สนใจเพราะมันมีปัญหาเยอะหมอก็พยายามจะแก้ไขนะคะ แบบธาสมาซิสั้นนี่ก็ให้ไปเล่นเล่นปิงปองหรือเล่นเทนนิสให้ให้ให้ออจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำ mm hmm. แต่ในนี้เขามาจากที่หลานสาวนี่ เ, เล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันได้ผล mm hmm. เพราะว่า เ, เขาจะจดมีพอพอเรียนรู้เกี่ยวกับสติเนี่ยนะะ เ, เขาจะเรียนหนังสือดีขึ้น ฟังครูได้เเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าจิตมันสงบลงใช่ไหมคะจิตเท่าจดจอ่อจดจอ่อไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะเพราะฉะ น, นั้นอันเนี้ยเรนก็เห็นด้วยเพราะว่ามีข่าวในประเทศไทยเนี่ยที่ที่บอกว่ามีครูเนี่ยตีเด็กเยอะเลยเพราะเด็กไม่ทํากันบ้านเนี่ยก็เลยอันนี้มันก็มีมีมีรากเง้ามาจากที่ว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะฮะสมองเนี่ยบางคนนี่นี่เขาก็ Research กันมานะฮะพวกหมอเนี่ว่าอย่างสติสั้นเงนี้ยแล้วลูกศิษย์คนก็มีมีแนวไปทางแบบออทิสต์นิดๆแต่ไม่มากนะฮะพวกนี้ก็เรียนลำบากแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นเด็กโง่กันนะฮะเพราะฉะนั้น เ, เขาก็มาพบว่าวิธีการเทคนิคในการใช้ไมฟูเนสสติเนี่ย มันได้ผลก็มีหลายโรงเรียนแล้วนะคะที่ที่ใช้กันที่อเมริกาก็มีค่ะเวลาลงโทษเด็กะก็ไปกัดบริเวณให้ให้นั่งทาสมาธิใช่นั่นแหละพระอุทธยจาบ่สติเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเนี่ยธรรมที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่ค่ะย่งนั้นดีายที่เด็ก อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเก่าอยากจะพูดเรื่องการปฏิบัติมากกว่าค่ะนี่ก็เป็นการปฏิบัติแรกเริ่มของเด็กๆนะฮะโอเคพอระเงินพอรักนะให้คนอื่นเขาถามคําถามดีกว่าคิดว่าจะถามคําถามอะไรมีคําถามทางบ้านไหยบ้างมีครับเออวาดวาไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับคุณกบ จับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับคือผมทุกมากเลยครับช่วงนี้ชีวิตแย่มากตอนผมมีก็หยิบยื่นให้คนอื่นตลอดแม้แต่ทองก็เอาไปจำนำเพื่อช่วยเหลือเขาแต่ทำไมเวลาเราไม่มีทำไมไม่มีคนสนใจเราเลยครับผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเข้าใจศัจธรรมคนหนึ่งนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาตลอด คำว่าพุทธโธไม่เคยห่างจิตผมท้อใจมากครับผมควรวางใจอย่างไรดีครับก็วางใจเฉยนะถ้าวางใจเฉยได้เมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราก็ทำใจเฉยวิธีจเฉยอย่างมีความสุขก็ต้องเข้าไปในสมาธิพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆ อ, อย่าไปให้มีความอยากอยากให้คนนั้นก็มาช่วยเราช่วยเหลือเรา คนนี้มาช่วยเหลือเราถ้าเขาไม่มาเราก็จะเสียใจยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุเราต้องยอมรับว่าเราไปควบคุมบังคับคนอื่นเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะทำความดีทำประโยชน์ช่วยเหลือเขามาก็ตามแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่มาช่วยเหลือเราก็ได้เรั้นอย่าไปหวังอะไรจากใครให้เป็นอัตตาฮีอัตโนนาโต วิธีที่จะแก้ปัญหาของเราได้อย่างถูกต้องก็คือเข้าไปหาความสงบเถิดถ้าใจสงบแล้วปัญหาต่างๆจะไม่เป็นปัญหาใจจะไม่วุ่นวายร่างกายจะเดือดร้อนจะอดอยากขาดแคลนรือจะอดตายก็ไม่เป็นไรถ้าใจสงบแต่ถ้าใจวุ่นวายร่างกายจะอิ่มหนำสำลัน ง, งไงใจวุ่นวายก็ยังฆ่า ต, ตัวตายได้ะ อย่าไปแก้ปัญหาภายนอกปัญหาตอนนี้ที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่ที่ความยากจนของเราแต่ความที่เราอยากจะกลับไปรวยใหม่ความอยากที่เราอยากจะหนีจากความยากจนไปแล้วมันทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์เพราะเรายังทำไม่ได้เรามาหยุดตัวนี้ดีกว่ามาหยุดความอยากที่จะหนีจากความยากจนอยากจะกลับไป มีเหมือนเดิมถ้าเราหยุดตัวนี้ได้ทาจิตให้สงบได้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจนี้จะหายไปหมดแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงความทุกข์ที่แท้จริงน้เกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากความยากจนพระสงฆ์องค์เจ้าเขายากจนกับเราขอทานเขายากจนกับเราเขาก็ยังอยู่ได้เพราะเขายอมรับค ว, ความสถานภาพของเขา เขายากจนเขาก็อยู่กับความยากจนของเขาไปเขาไม่มีความอยากที่จะรวยเพราะเขารู้ว่าเขายางไงก็รวยไม่ได้เขาก็เลยยอมรับแต่เราไม่ยอมรับเราคิดว่าเราเคยรวยเราจะต้องกลับไปรวยอีกแต่ตอนนี้มันไม่รวยเราก็เลยทุกข์อย่าตอนนี้กลับมาทำใจให้สงบก่อนให้หายทุกข์ก่อนแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่ยังกลับไปรวยได้แต่ มันจะไม่มันอาจจะไม่ได้ดังใจทันทีทันใดเท่านั้นเองเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนที่วันก่อ น, นีมีเรื่องเรื่องนี้เรื่องเก่าแต่เข้ามาลงใหม่เรื่องเศรษฐีคนที่เคยเป็นเศรษฐีแล้วก็เจ๊งตอนที่ธนาคารล้มอะไรนี่เขาก็มาขายแซนด์วิชใช่ไหมขายไปขายมาเดี๋ยวนี้ก็กลับมาล่ำรวยใหม่ แค่เอาเอาตัวอย่างเหล่านี้มามาเตือนใจเรามาสอนเราดีกว่าเนอย่าไปคิดในเรื่องที่ทำให้เราเครียดเราทุกข์ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรมามาตั้งหลักใหม่ใจเราก็มาตั้งหลักใหม่มาทำใจให้สงบให้ลืมความลืมอดีตไปให้หมดลืมความร่ารวยของเราให้หยุดความอยากกลับไปร่ำรวยพอใจเราสบายแล้วทีนี้เราก็มานั่งคิดก่อนว่าเราจะทำไง ที่จะมีรายได้ขึ้นมาใหม่เราก็ทำไปเดี๋ยวมันก็กลับมาได้เหมือนเดิมคำถามจากคุณเทพธิดากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าถือศีลแปดนอนเปได้ไหมคะเปที่พับได้แล้วนั่งที่สูงระดับเก้าอี้เท้าพอดีพื้นได้ไหมเจ้ า, า่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้จะตอบอยังไงคำถามจากคุณพรมพรกราบนมัสการค่ะเห็นคนรักษาศีลแปดที่วัดกำลังดายาเขาบอกว่ามันรกแบบนี้เป็นการผิดศีลไหมคะมีคนทักเขาตอบว่าอยู่ที่เจตนาถูกหรือผิดเจ้าค่ะไม่ผิดศีลดอกถ้าเป็นพระถึงนี้ผิดเพราะพระมีข้อห้ามไม่ให้ไ ป, ไปพาคของเขียว เพราะเนื่องจากในสมัยพุทธกาลนี่คนเชื่อว่าพวกหญา้าพวกต้นไม้มีชีวิตถ้าผ้าถ้าผ้าไปตัดมันก็เหมือนกับไปปาณาติบาสไปทําผิดศีลไปฆ่าต้นไม้ไปฆ่าต้นหญ้าแต่สมัยปัจจุบันเรารู้ว่าต้นหญ้ามันมันมีชีวิตแต่มันไม่มีดวงวิญญาณเอมันไม่มีผู้รับรู้มันไม่มันไม่ทุกกับการถูกตัดถูกทำลายอ นั้นสำหรับผู้ที่ถือศีลแปดนี้ไม่ได้ไปทําผิดศีลแต่อย่างใดแต่สําหรับพระนี่ทํายังมีข้อห้ามไม่ให้ไปทําอยู่แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นบาณาทิบัติถือว่าทําไปเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาตําหนิดติเตียนว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้มีศีลแล้วทําไมไปทําลายต้นไม้ชีวิตต้นไม้ต่างๆคําถามจากคุณพิทักษ์กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับ ในช่วงขณะที่กําลังนั่งสมาธิกระผมได้กําหนดบริกรรมพุทโธตามปกติจนจิตรู้สึกถึงความว่างสํารวจดูก็ไม่พบว่ามีเรื่องใดๆเกี่ยวกับความคิดเข้ามาในจิตเลยเลยกําหนดจิตให้อยู่กับความว่างแต่ในขณะนั้นพอจะกําหนดบริกรรมพุทโธจิตไม่คิดถึงคําบริกรรมนั้นเลยแต่จิต จะไปอยู่กับแต่ความว่างของจิตในขณะนั้นความว่างของจิตที่ผมเจอนี้เรียกว่าจิตรวมเป็นสมาธิหรือเปล่าครับก็เวลาจิตสงบมันก็จะว่างอย่าว่ามันมันว่างระดับไหนมันรวมระดับไหนอันนี้ก็สุดแล้วแต่อย่าไปสนใจถ้ามันไม่คิดปรุงแต่งมันสงบแล้วมันสบายก็ดีพยายามรักษาสถานภาพนั้นไว้นาน คำถามจากคุณมงคลกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับหากสามีเป็นคนทางานหาเงินมาแต่ไม่ชอบทาบุญแต่ภรรยาชอบทําบุญแล้วเอาเงินของสามีไปทําบุญอย่างนี้จะได้บุญทั้งเจ้าของเงินแล้วก็ภรรยาที่เอาเงินไปทําบุญทั้งคู่เลยไหมครับก็คนที่เป็นเจ้าของเงินนี่ก็ต้องมี เจตนาว่าต้องการจะใช้เงินนี้ไปกับการทำบุญถ้าไม่มีเจตนาหรือไม่มีความยินยอมจะถูกให้ทำโดยบังคับก็จะไม่ได้บุญบุญจะเกิดจากการที่เรายินยอมมีความยินดีที่จะเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เราไม่อยู่ให้แก่ผู้อื่นเหมือนกันเราเสียภาษีนี่เราได้บุญไหม น้าเพราะเราไม่อยากจะเสียกันใช่ไหะแต่เราก็ต้องเสียไอย่างนี้เราไม่ได้ว่าเป็นบุญใช่ไหม mm hmm. ใช่เหมือนกันถ้าเขาเขายินยอมเขาเสียเพราะว่าเห็นว่าภรรยาอยากจะทำเขาไม่อยากขัดศรัทธาก็ปล่อยให้ทำไปแต่ตัวเขาไม่มีความสุขกับการทำบุญของภรรยา mm hmm. ต้องถ้าเขามีความอยากทำด้วยแล้วยินดีที่จะทำเขาก็จะมีความสุร่วมด้วย อย่างมาจะเป็นเงินของเขาก็เป็นเหมือนกเขายอมเสียมันเสียภาษีเฉพื่อที่จะได้ไดเก็บภรรยาอยู่กับเขาต่อไปถ้าไปขัดใจภรรยาเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันอาจจะไม่อยู่ด้วยกันก็ได้คําถามจากคุณธงกราบเรียนถามครับขณะเดินจงกรมมือปล่อยข้างตามปกติหรือต้องคอยประสานกันครับถ้ากอดอก จะได้หรือไม่ครับท่านสอนให้เราเดินในท่าสำรวมท่าสำรวมก็คือท่าที่เราเอาเอาเอามือไว้ที่หน้าข้างด้านหน้ามือมือขวาทับมือซ้ายท่าอื่นมันจะดูแล้วไม่สวยงามไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองเออกอดอกควายหลังแกว่งมืออย่างนี้มันดูแล้วมันไม่สวยงาม คำถามจากคุณวัศน์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผู้สอนภาวนามักจะบอกให้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเราจะเอาเท้าซ้ายทับขวามือวางบนเข่าแทนแบบนี้ใช้ได้ไหมครับมีนัยยะสําคัญอะไรอย่างอื่นนอกจากเอาที่สบายไหมครับก็ไม่มีหรอกมันเป็นท่าที่ดูแล้วสวยงามที่สุดนะ ก็เลยใช้กันมาตามตามที่พระตถาจาได้สรงปฏิบัติมาสรงสอนให้นั่งแบบนี้ก็เราก็นั่งกันแบบนี้มาแต่ถ้าผู้ศึกษาอยากจะไปนั่งในท่าอื่นก็ก็แล้วแต่คิดว่าผลคงไม่ต่างกันผลมันได้อยู่ที่ท่านั่งมันอยู่ที่สตินั้นท่านั่งดีอย่างไงถ้าไม่มีสติมันก็ไม่เกิดผลอยู่ดี คำถามจากคุณนัทกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับความอยากนั่งสมาธิความอยากสงบเมื่อนั่งสมาธิแล้วไม่อยากทำกิจการงานบ้านเพราะว่าอะไรครับก็คุณไม่อยากยาก็ไม่อยากมาถามเราได้ไงคุณต้องถามตัวเองเลยเพราะมันมีสายสาเหตุในการไม่อยากนขี้เกียจก็ได้หรือว่ามันสบายอะไก็เลยไม่อยากจะทาอะไร มันมันมีหลายสาเหตุด้วยกันคุณต้องค้นหาสาเหตุของคณเองดูถ้าขี้เกียจ ก, ก็ไม่ควรถ้าถึงเวลาต้องทำหน้าที่ก็ควรจะไปทำหน้าที่อย่าหลีกเลี่ยงหน้าที่แต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาต้องทำไม่ทำก็ไม่เสียหายตรงไหนหมดแล้วหมล้วเลยคาถามอันนี้คาถามน้อย ถ้าจะพูดต้องแบเอาไมโครโฟนมาพูดไปย่ปเดินไปหาไมโครโฟนหน่อยไม่ใช่เ้าคนอื่นก็จะได้ยินคำถามพูดกล้ๆปากหน่อยเจค่ะคืออย่างให้ให้ดูเวทนาของกายนะใชะ่ที่อย่างคนเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเขาอยู่กับตรงนั้นได้แต่เวลาเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ เขารู้ใช่ไหมคะว่าเจ็บแบบโอ้ยเราร้องแบบบางทีตกใจอยู่ๆแบบร่างกายเรามันอย่างอย่างเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมะันเหมือนกับมันยืดที่กระดูกข้างหลังงั้นไหมคะออแล้วเราก็พอเป็นขึ้นมาเราก็โอ้ยตกใจร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทุกข์กับตรงนั้นเราก็รู้ว่าโอเคตรงนี้มันเป็นออแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นไปไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วถ้าถ้าเจ็บมากก็ทานยาอย่างนี้ก็คืออยู่ได้ก็บางคนไม่ทานยาได้ก็ดี เพราะกันไม่มียาทานจะทำยังไงคือมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหลยก็ในสมัยพุทธกาลเขาไม่มียากันเจ้าค่ะเขาก็เลยต้องใช้ธรรมะโอสดเป็นยาแทนเค่ะซึ่งเป็นยาที่แท้จริงกันถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ยาจะดีกว่าเจ้าค่ะใช้ยาเดี๋ยวก็ไปติดยาอีกเจ้าค่ะ งั้นอย่าไปใช้ยายาจริงยายาแท้มีอยู่ไม่ใช้กันคือธรรมะโอสถ<ะ>คือปัญญาชพ<ะ> ย, ยายามแยกใจออกจากร่างกายสอนใจว่าความเจ็บเป็นของร่างกายใจเป็นเพียงแต่ผู้มารับรู้ความเจ็บ<ะ>ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่ใจไม่อยากจะรับรู้ความเจ็บนี้มันก็เลยทําให้ใจ เจ็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าใจไม่ยอมถ้าเราหยุดทําใจให้เฉยได้ยอมรับรู้กับความเจ็บของร่างกายได้ ใ, ใจเราก็จะไม่เจ็บเแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้โดยที่ไม่ต้องไปกินยาคือเราเราหยุดความเจ็บความเจ็บมันมีสองชั้นเนี่ยเจ็บกายแล้วมาเจ็บใจแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหยุดการเจ็บใจได้ ก็จะเหลือแต่การเจ็บกายที่มีพลังหรือมีกำลังน้อยกว่ามาีที่เบาวกว่าความเจ็บทางใจคนที่ไม่เจ็บใจแล้วจะรับกับความเจ็บทางร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องกินย า, า, าคำถามจากคุณซ m p l e Life การฝังหรือเผาศพโดยไม่มีพิธีสวดศพ จะมีผลเสียใดยต่อจิตใจนั้นหรือไม่เจ้าคะไม่มีหรอกจิตใจของร่างกายนั้นไปตามอำนาจของบุญของบาปแล้วส่วนพิธีศพนี้เรามาทำเพื่อเป็นอุบายให้คนที่อยู่มีโอกาสได้มาทำบุญเท่านั้นเองจะได้เพราะบางทีถ้าไม่มีเหตุเราจะมักจะไม่ชอบทำบุญกันเราต้องรอมีเหตุเช่นวันเกิดวันปีใหม่วันอะไรต่างๆเราถึงจะมาทาบุญกัน เขาก็เลยเอาวันตายมามาเป็นเหตุให้เราได้ทำบุญกันแล้วก็ได้มาเจริญปัญญาด้วยเพราะเราจะได้เห็นความจริงว่าอันนี้นคือร่างกายของทุกคนต่อไปก็จะต้องตายกันอย่างนี้เนี่ยพาไปพิจารณาอนิจจาวัฏฐานขาลาสังขารร่างกายทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาการละวางปล่อยวางสังขาร น, นี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่ง คืมาสานให้เราโปร่งวางอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราจะปร่งวางได้ก็ต้องปฏิบัติทำเพราะเพียงแต่คิดพูดแค่นี้มันไม่พอกำลังไม่พอมันต้องมาคิดอยู่เรื่อ ย, อยแล้วก็ต้องหยุดการการยึดติดด้วยการเข้าสมาธิการเข้าสมาธิเป็นการถอนจิตออกจากร่างกาย พอเรารู้จากการถอนจิตออกจากร่างกายแล้วเรารู้ว่าการไปยึดติดกับร่างกายจะทำให้เราทุกข์มากเราก็เวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ปล่อยวางร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์นคำถามจากคุณ practice ธรรมะขอเรียนปรึกษาพระอาจารย์ค่ะที่บ้านได้แจ้งขอบริจาคอวัยวะภายในได้แก่หัวใจตับ ตายกันไว้ทุกคนแต่ตอนที่เขาจะนำไปใช้ได้นั้นต้องมีสภาวะสมองตายแต่ลมหายใจยังคงอยู่แล้วจึงรีบนำไปทำการผ่าอวัยวะออกไปเพื่อปลูกถ่ายแก่ผู้รับอย่างนี้เป็นการฆ่าไหมคะแต่เคยได้ยินว่าแม้สมองตายลมยังไม่หมดจิตยังไม่ตายจากร่างกายเกรงว่าจะเป็นการฆ่าโดยไม่ตั้งใจคะ่ะ เลยมาขอเรียนปรึกษาเพราะหากไม่เป็นการฆ่าจะช่วยได้ถึงอีกสี่ชีวิตก็ในสมัยพุทธกาลนี้เขาไม่มีการวัดความตายแบบทางสมองเขาก็วัดความตายที่ลมหายใจนั้นคนที่ตายก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วอย่างพระเจ้าสอนว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย แต่สมัยนี้ไม่ทราบเขามีวิธีวัดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้เพราะกิเลสอยากจะได้เอาไว้เลยว่าถ้าเอาไปตอนที่ไม่มีลมหายใจแล้วมันอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้ก็เลยหาวิธีว่ามากาหนดนิยามของคำว่าตายใหม่ซึ่งจะตรงกับความจริงหรือไม่อันนี้เราก็ไม่กล้าไปเถียงกับผู้ที่เขา คิดกันแต่เราก็ยึดแนวเดิมเราเป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าสอนเราก็เอาแนวนั้นแล้วเราก็อย่าไปโลภ ก, กับเรื่องการอยู่เลยเรื่องการถ่ายอวัยวกกายว่าต่างๆเพราะว่าถ่ายยังไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีแล้วมาถ่ายแบบที่ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการปาณาติบาหรือเปล่าอันนี้ยิ่งไม่น่าทําใหญ่ถ้าเราสงสัย ว่าผิดหรือถูกไม่แน่ใจแล้วเราทำไปถึงแม้ว่าจะถูกท่านก็ว่าไม่ควรทำถ้าสงสัยแล้วอย่าทำดีกว่าถึงแม้จะถูกแต่ถ้ามันผิดเราก็จะเสียหายนังไงถ้าเรายังสงสัยัยังไม่แน่ใจว่ามันผิดหรือมันถูกอย่าไปทำมันาถ้าเป็นพระจะถูกปรับโทษ สงสัยว่าผิดแต่ไปสงสัยว่าถูกสงสัยว่าผิดหรือถูกแต่คิดว่าถูกแต่ไม่แน่ใจว่าถูกจริงหรือเปล่าแต่ทาไปนี่ท่านบอกท่านจะปรับโทษไม่ให้ทาถ้ายังสงสัยอยู่ให้รู้แน่ใจก่อนว่าผิดหรือถูกแล้วค่อยไปถ้าไม่แน่ใจอย่าทำคาถามจากคุณวันกราบเรียนถามพระอาจารย์ ตัวสติคือตัวรู้ที่ระงับตัวคิดใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกตัวสติก็คือตัวที่หยุดความคิดจะเรียกว่าตัวรู้มันมันเป็นตัวรู้ตัวสติก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวสติก็เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ตัวรู้ก็เหมือนคนขับเนี่ยคนขับรู้รู้ว่ารถกำลังวิ่งคนขับต้องการหยุดก็ต้องเหยียบเบรกตัวรู้รู้ว่ากาลังคิด ถ้าตัวรู้อยากจะหยุดคิดก็ต้องใช้สติหยุดมันการจะใช้สติก็ต้องให้เพ่งอยู่กับเรื่องอื่นแทนอยู่กับเรื่องของความคิดนั้นกำลังคิดอะไรอยู่ก็ให้ไปคิดถึงความว่างเสียก็หยุดคิดเอ โดยถ้าฝึกสติบ่อยๆก็สามารถสั่งให้มันหยุดคิดเองได้พอมันคิดปบพอรู้มันคิดก็หยุดมันได้ทันทีถ้าอยากจะหยุดมันถ้ายังไม่มีสติก็ต้องใช้การเพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก่อนเพื่อให้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อหยุดความคิดนั่นเองเช่นกำลังคิดนู่นคิดนี่อยู่ก็พุโทโธพุโทโธไปแทนแล้วเรื่องที่เราคิดอยู่ก็จะคิดไม่ได้ คำถามจากคุณนัทพัฒน์กราบเรียนสอบถามค่ะเวลานั่งสมาธิพอนั่งไปได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วจิตเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้ไม่อยากจะนั่งต่อต้องทำอย่างไรดีคะถึงจะนั่งต่อไปได้นแสดงว่าสติละหมดกำลัง <c oughs> ก็เราสู้มันดูด้วยการเพิ่มสติขึ้นมาใหม่บังคับให้มันบริกรรมพุทธโธไป บังคับพุทโธพุทโธไปถ้าบังคับไหวถ้าบังคับไม่ไหวเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาก็อาจจะต้องอเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งมาลุกขึ้นมาเดินก่อนแล้วก็มาพุทโธพุทโธใหม่ก่อนแล้วพอเดินจนเมื่อยแล้วแล้วก็กลับลงไปนั่งใหม่ต่อไปพยายามฝึกสติตเตอื่อๆ หลังจากที่ออกจากนั่งแล้วอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งกลับออกมาก็ต้องคอยควบคุมต่อไปให้พุทโธต่อไปให้หยุดความคิดต่อไปแล้วต่อไปเวลานั่งก็จะนั่งได้นานขึ้นน่าจะสงบได้มากขึ้นคำถามจากคุณอัตตาหิอัตโนนาโถกราบเรียนถามพระอาจารย์บางคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ บางทีก็ออกไปเผาทําบุญให้กับบางคนที่เอาไปฝังเฉยๆนี้เราควรทําแบบไหนดีเจ้าคะหรือว่าฝังเขาไปแต่เราไปทําบุญให้แบบนี้เขาจะได้บุญใหม่เจ้าคะเาการกําจัดศพนี้กําจัดวิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเอเรื่องบุญก็เรื่องของการทําบุญเอเราทํา เราทำบุญแล้วก็สามารถส่งไปให้เขาได้ไม่ว่าเขาจะถูกกาจัดศพของเขาด้วยวิธีไหนอันนี้ไม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการไม่มีประเด็นไม่มีผลต่อเรื่องของบุญที่เราจะทำส่งไปให้เขาคำถามจากคุณสิริมาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ หนูไม่ค่อยปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พอจะตั้งใจท่องพุโทโธจะมีอาการเครียดปวดศรีรษะควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ถ้ายัางพุโทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปในภายในใจไปก่อนเพราะใจจะชอบคิดเรื่องนี้เ น, น, นื่งนี้การสวดมนต์ก็เป็นเหมือนกับการคิดอีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นความคิดที่จะทำให้ใจสงบ ถ้าอยู่กับพุโทโธมันไม่มีเรื่องให้คิดมันก็จะไม่ชอบมันก็อาจจะเกิดอาการต่อต้านขึ้นมายัางถ้าเราพุโทโธไม่ได้เราก็ลองสวดมนต์ไปก่อนคำถามจากคุณชานชัยคุณพ่อแก่มากให้ธรรมะพ่อไม่ให้กลัวตายวางกายหรือนึกถึงบุญที่ทำมากมาก เรื่องนรกสวรรค์พ่อไม่ค่อยเชื่อย้อนถามว่าเห็นมาแล้วเหรอนรกสวรรค์เนี่ยเลยไม่รู้ว่าควรจะแนะนำพ่อต่ออย่างไรดีครับก็ถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่ต้องพูดพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆคำถามจากคุณไพลินกราบเรียนถามพระอาจารย์หนูเพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิ ได้ยังไม่ถึงเดือนหนูปรารถนาจะฝึกนั่งสมาธิให้ได้ดา น, นานขอโอกาสพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยค่ะก็พยายามทำไปจากน้อยไปหามากอย่าไปโลภมากเริ่มต้นเรานั่งได้กี่นาทีก็นั่งไปก่อนแล้วพยายามฝึกสติบ่อยๆสตินี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้เรานั่งได้นานและสงบได้นานอ่าะนั้นพยายามฝึกสติให้มากๆก่อน เือเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธเลยก็ได้หรือเฝ้าดูการกระทาต่างๆของร่างกายก็ได้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนะถ้าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งได้เวลานั่งก็จะนั่งได้นานขึ้นไปตามลำดับนะงั้นพยายามทาไปเรื่อย เหือนกับเรียนหนังสือเราต้องเริ่มต้นที่อนุบาลก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นชั้นปถมชั้นมัธยมไปนั่งสมาธิใหม่ๆอาจจะได้แค่ห้านาทีต่อไปก็เพิ่มเป็นสิบต่อไปก็เป็นสิบห้าเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติมันก็จะนั่งได้นานขึ้นไปเองอย่าท้อแท้ปัญหาคือบางทีพอเริ่มต้นอยากจะนั่งได้นานๆเลยพอนั่งไม่ได้ก็เลิกเลยเออย่างนี้ก็จะก็จะแพ้ไม่ได้ประโยชน์ ต้องเป็นพยายามเหมือนเต่าพยายามเดินไปเรื่อยๆทีละก้าวสองก้าวทีละก้าวสองก้าวอย่าไปเป็นแบบกระต่ายโอ้โห่งทีได้วิ่งไกลแต่วิ่งเดี๋ยวพับเดี๋ยวขี้เกียจนะหยุดวิ่งนะทําไปเรื่อยๆอได้มากได้น้อยก็ทําไปเรื่อยๆบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยเพราะมันมีปัจจัยที่ทําให้ทําให้นั่งได้ยากบ้างนั่งให้ได้ง่ายบ้างบางวันก็เหตุการณ์เยอะเรื่องราวเยอะ บางวันก็สติไม่ค่อยดีเผลอสติบ่อยนันก็จะทำให้เวลามานั่งนี้นั่งได้น้อยนั่งได้มากแต่ขอให้นั่งพยายามทำให้มันเป็นกิจลักษณะมีเวลาประจำของมันพอถึงเวลาก็ทำเลยนั่งได้มากได้น้อยก็นั่งไปทำมันให้เป็นนิสยัยแล้วมันจะง่ายมันจะได้ทำอย่างต่อเนื่องคำถามจากคุณเทพธิดา การบริจาคร่างกายจะได้อ น, นิสงฆ์มากไหมเจ้าคะ่ะคือร่างกายถ้าเราบริจาค ก, ก็จะได้ประโยชน์คือผู้ที่รับร่างกายเราไปจะได้รับประโยชน์แต่ผู้ให้นี้จะไม่ได้รับประโยชน์ถ้าให้ถ้าให้ตอนที่ตายไปแล้วถ้าอยากจะได้รับประโยชน์คือได้บุญก็ต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายเช่นบริจาคตายไปอันหนึ่งเนี้ย มีเพื่อนหรือมีพ่อแม่หรือพี่น้องที่เรารักเขาต้องการตายแล้วตายเราใช้ได้เราก็แบ่งให้เขาไปอันเนี่ยเพราะเราจะได้เห็นผลทันทีเห็นผลเราจะเกิดความรู้สึกในใจเราทันทีแต่ถ้าเราตายไปแล้วเขาเอาตับเอาไตาเราไปไปทํานี่เราไม่รู้เราจะไม่ได้เราจะไม่มีความรับรู้รับมีความรู้สึกอะไรก็เหมือนกับไม่ได้ให้เพราะเราไม่รู้ว่านั่งกายของเราไปไหนแล้ว เพรนั้นถ้าอยากจะบริจาคอวัยวะก็ให้ทําตอนที่มีชีวิตอยู่เออยากเขียนพินัยกรรมเขียนนี่ยังไม่ได้ให้เป็นแต่บอกเจตนาต้องให้จริงๆเช่นบริจาคเลือดนี้ก็ถือว่าเป็นการบริจาคอวัยวะอย่างได้บุญพอเวลาเราบริจาคเลื่องเรารู้สึกว่าเราได้เสียสละของที่เรารักไปแล้วทําให้เรามีความสุขใจสบายใจขึ้นมา้ข้อสุดท้ายนะ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ทำงานมีระบบเซ็นชื่อเข้างานแต่ไม่ได้ลงเวลาตามเวลาจริง <c oughs> เพื่อให้คนต่อต่อไปสามารถลงเวลาไปได้เรื่อยๆจนถึงเวลา8นาฬิกาเก็บสมุดเซ็นชื่อตอน8นาฬิกา30นาทีถ้าไม่ทำตามจะมีรุ่นพี่ ในที่ทำงานมาตักเตือนจะถือว่าทำผิดศีลข้อที่สี่หมายเจ้าคะหมายถึงใครเราหรือคนอื่นตัวเราถ้าไม่ได้เขียนตามความเป็นจริงมันก็โกหกไนงะใช่ไมถ้าเรามาแปดโมงครึ่งแต่เราใส่ไปแปดโมงนี้อย่าง น, นี้ก็โกหกใช่ไหมนะก็ผิดศีลอเลยผิดก็ผิด